โยมราชันปันสุวรรณได้ถามว่าพระอาจารย์กรุณาเทศต่อระหว่างศรัทธากับอุปาทานสมา ธ, ธิเหมือนคล้ายต่างกันตรงไหนทั้งนี้เพื่อผมจะได้นำไปพิจารณาปรับทิฐิตนเพื่อน้อมนำไปสู่สมาธิธในตน ศรัทธาอุปาทานสัมมาทิธิเออไม่ใช่สมาสมาธิคำ ว, ว่าศรัทธาที่มีความความว่าเชื่อมั่นเชื่อมั่นในทางความหมายของพระพุทธศาสนาหมือนเกิดอธิบายเคยเกิด อ, อธิบายในส่วนของความเชื่อกับความไม่เชื่อ เช่นองค์ธรรมของพระพุทธเจ้าทรงตัดศรัทธาคือความเชื่อไว้เป็นอันดับแรกเรียกว่าเป็นพระละก็ได้พะละ เ, เรียกว่าศรัทธาพะละสติพระละ ส, ส, สมาธิพระละปัญญาพระละประเภทนี้เขาเรียกว่ากำลังกําลังของศรัทธากับในการลามาสูตรบอกว่าไม่ให้เชื่อคําว่าไม่ให้เชื่อ ไม่ได้ใช้คําว่าศรัทธาในมันจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่เชื่อในกาละมสูตรเนี่ยภาษาบาลีอย่างเช่นมาปิตกาไม่พึงเชื่อตามตําราหรือว่าอย่าเชื่อตามตําราแต่คําว่าไม่เชื่อในทํานองนี่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้พูดถึงคําว่าศรัทธาคือไม่เชื่อด้วยศรัทธาอะไรประเภทนี้ไม่ใช่ หรือไม่เชื่อโดยไม่มีศรัท ธ, ธาอะไรประเภทนี้หรือว่าเชื่อโดยศรัท ธ, ธาหรือไม่เชื่อโดยไม่มีศรัท ธ, ธาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าบางทีพระองค์ก็กล่าวเพื่อแยกประเด็นให้ได้ทราบในหลักธรรมศรัท ธ, ธานี้ที่พงค์ทรงสอนให้เชื่อนั้นคือศรัท ธ, ธาที่ได้รับการพิสูจน์หรือได้รับการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วอใ น, นจึงสอนให้เชื่อและจะเป็นความเชื่อที่มั่นคงไม่ใช่ความเชื่อลมๆแลรงๆเชื่อ เชื่อครั้งนี้แต่ครั้งต่อไปไม่เชื่ออย่างเงี้ยเขาบอกว่าทําดีได้ดีเชื่อแต่เวลาทําดีแล้วพอมันไม่มไม่ไม่ดีๆเกิดขึ้นก็บอกว่าทําดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยอะไรพวกนะี้อันนี้กเกลือเดี๋ยวก็ไม่เชื่อเดี๋ยวก็เชื่อเดี๋ยวก็ไม่เชื่ออันนี้ไม่ใช่ศรัทธาศรัทธาคือการพิจารีรู้รอบรู้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของตนด้วยทิฏฐิที่เข้าใจกับเหตุผลแล้วจึงปรองใจเชื่อ แต่ในในกาลรารมาสูตรที่บอกว่าไม่พึงเชื่ออันนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้คําว่าศรัทธาเป็นการอธิบายเขามไม่ไม่ไม่พึงเชื่อในความหมายความหมายของพระุทธเจ้าหมายถึงว่าการ อ, อย่าพึงยอมรับในสิ่งที่เขาเล่าเล่ากันมาอย่าพึงยอมรับหรือในอย่าพึงเขาเรียกว่า ยึดถือตามในสิ่งที่คนคนอื่นเขาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยในข้อหมายจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าตำราเขียนไว้ว่าอย่างนี้ก็จะพึ่งยอมรับหรือจอะพึ่งยึดถือตามในทรรนองเนี้ยแต่ไม่ถึงกับว่าไม่เชื่อแต่ทีนี้เราถูกแปรมาว่าไม่เชื่ออย่างเงี้ยไม่ให้เชื่อหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าถามพระสาริบุตรว่าสารีบุตรเธอเชื่อในธรรมที่เราตถาคตสแสดงหรือเปล่าท่เทศออกไปเนี่ย พระสารีบุตรว่าข้าพงคงไม่เชื่อพระเจ้าค่ะอันนั้นคือจำนวนการแปลหรือว่าคนที่ท่านแปลมาท่านก็ไม่รู้จะใช้คําไหนก็เลยต้องใช้คําว่าไม่เชื่อแต่ในความหมายที่พระองค์ทรงกล่าวกับพระสารีบุตรเท่าที่อาตมาได้ไปไขครววดูพงค์ไม่ได้ใช้คําว่าศรัทธาคือเชื่อหรือเปล่าเนี่ยคือเธอศรัทธาตถาคตไม่ไม่เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าทำที่ตถาคตแสดงออกไปนี้น เธอมายถึงว่าเธอยึดถือตทำทำเหล่านั้นหรือยอมรับทำเหล่านั้นเลยหรือเปล่ายึดถือเลยไหมหรือยอมรับเลยไหมในเวลานั้นพราสาริบุตก็บอกว่า เขาว่าไม่เชื่อของภาษาลิบุตรคือไม่ได้ยอมรับในเวลานั้นหรือไม่ได้ถือตามในเวลานั้นไม่ได้ยึดถือตามแต่เมื่อข้าพระองค์ได้พิจารณาแทงตลอดด้วยทิฏฐิทั้งปวงด้วยปัญญาที่มีคือสติปัญญาที่ท่านมีเนี่ยที่ท่านแทงตลอดด้วยความเห็นด้วยทิฏฐิด้วยการพิจารณาใครควรพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วจึงปรงใจได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นเป็นสัจธรรมแท้เป็นความจริงแท้เมื่อนั้น จึงได้ยอมรับยึดถือพะถ้าหากยอมรับหรือยึดถือในสิ่ท่พระองค์ทรงกล่าวสอนโดยถ่ายเดียวเลยโดยไม่ได้แทงตลอดด้วยทิฏฐิและปัญญาได้ไม่พิจารณาใคร่ครวญการยอมรับและยึดถือนั้นก็เป็นการยอมรับเพียงแค่การถือตามๆกันไปคือไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่พระุทธองค์ทรงตรัสสอนไม่ได้รู้เรื่องในธรรมะ ไม่ได้ถึงกับว่าไม่เชื่ออย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะศรัทธานี่มันเป็นองค์ประกอบหลักอยู่แล้วเป็นองค์ประกอบหลักในความหมายข้อธรรมของของคำ ว, ว่าไม่เชื่อหรือเชื่อเนี่ยในภา ษ, ษาดิบุตรกับพระพุทธเจ้านั้นภาษาดิบุตรจึงบอกว่าการที่ภาษาดิบุตรไม่ยอมรับเลยทีเดียวหรือคำว่าไม่ยอมรับเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับในตัวของพระพุทธองค์นะหมายถึงว่าหากรำที่พุทธเจ้าทรงสอนนะถ้าเรายอมรับไปเลยเนี่ย โดยไม่ไปพีรณาใครควรเนี่ยมันก็จะเป็นการแค่การฟังจากผู้อื่นเล่าคือฟังจากผู้อื่นพูดแต่ไม่รู้ด้วยทิฐิของตนไม่รู้ด้วยปัญญาของตนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เป็นแค่การยอมรับแบบเขาเล่ามาอย่างนี้บุคคลผู้นี้น่าเชื่อถือจึงเชื่อประโยชน์อันที่จะทําให้เกิดความรู้แจ้งมันไม่มีเมื่อประโยชน์อันที่จะทําให้เกิดความรู้แจ้งไม่มีก็แค่งมงายเป็นความงมงายอย่างหนึ่งน่ะ ศรัทธาพระุทธเจ้าก็งมงายอย่างหนึ่งหมายถึงว่าเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นความพูดตต่สรุปแต่ไม่รู้ว่าตัดสรุปอะไรตัดสรุปแบบไหนตัดสรุปอย่างไรเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะอย่างไรไม่รู้ไม่ได้ไข ค, ควรไม่แทงตลอดด้วยทิฏฐิและไม่ได้ทําความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็ก็คือความงมงายอันหนึ่งคือยึดถือตามยอมรับตามตามตามที่เขาพากันยอมรับก็เท่ากับว่าเป็นผู้เชื่อ ในสิ่งที่คนเขาเล่ามาเขาพูดมาฟังตามคนอื่นเชื่อตามคนอื่นหรือเชื่อสิ่งที่เขาเล่าถึงพูดถึงเป็นประเภทคนที่เชื่อง่ายพวกนี้มันจะโน้มไปในทางทิฉาทิถิหรือความงมงายเสียเป็นส่วนมากเพราะนั้นภาษาริบุตรจึงพูดกับพระโตองค์แล้วตอพระโตองค์ว่าข้าพวงไม่ได้ยอมรับเลยทีเดียวหรือมันไม่ได้เชื่อเลยทีเดียว แต่ข้าพงศ์แทงตลอดด้วยทิฏฐิปัญญาทําความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนภายในตนเองแล้วว่าธรรมที่พระงรงสอนนั้นเป็นสวากขาตธรรมธรรมที่พระงคทรงตัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องดีแล้วครบถ่วนทุกประการแล้วจะเกิดศรัทธาที่ไม่งอนแง่นคอนแคนไม่หลงงมงายเพราะรู้ชัดภายในตนเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตนจริงๆทีนี้เมื่อศรัทธาที่เกิดขึ้นอย่าง ไม่งอนแง่นคอนแคลนมันจะเชื่อมโยงศรัทธากับอุปาทานบางทีก็ยังไม่เข้าใจคำถามเท่าที่ควรแต่ก็จะพยายามอธิบายเพื่อเชื่อมโยงกันแล้วก็ให้ให้เกิดเป็นความเข้าใจว่าหากเราศรัทธาหรือเชื่อมากๆเนี่ยยึดถือในพระพุทธเจ้ามากๆเนี่ยแม้จะพี่ารณาด้วยเหตุและผลเองก็ตาม จะเป็นอุปทานไหมจะชื่อว่าเป็นอุปทานการยึดมั่นถือมั่นไหมอย่างเงี้ยมันเป็นอุปทานหรือเปล่าแล้วเมื่อเชื่อโดยการมีอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นน่ะมันจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรอจะเป็นทรรนองนี้หรือเปล่าไม่รู้นะในในคำถามนี้เพราะเห็นบอกว่าให้เทศต่ตอระหว่งางศรัทธากับอุปทานและสามา ธ, ธิเหมือนคล้ายต่างกันตรงไหนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นคำว่าอุปทานนั้นน่ะเราต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล mm ้วไม่ว่าเราจะเชื่อสิ่งที่ถูกหรือเชื่อสิ่งที่ผิดอุปทานมันคอยตามยึดอยู่แล้วแหละเชื่อในสิ่งที่ถูกอุปทานก็ยึดถูกเชื่อในสิ่งที่ผิดอุปทานก็ยึดผิดเชื่อในสิ่งที่งมงายอุปทานก็ไปยึดในตัวความงมงายเชื่อในความดีอุปทานก็ไปยึดในตัวของความดีเชื่อในสิ่งที่มันไม่ดีอุปทานก็ไปยึดไอความที่ไม่ดี หมายถึงว่ามันมีอุปทานในการยึดอยู่แล้วแหละแต่เป็นสิ่งที่ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะคือมันต้องมีอุปทานนั้นอุปทานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันเป็นแค่อุปทานมันเป็นตัวทําให้สิ่งที่เราเชื่อนะ่ะหรือว่าสิ่งที่เรายอมรับยึดถือนะ่ะทำให้สิ่งทิ่นั้นนะ่ะตั้งมั่นอยู่ในตัวเราได้ เพราะถ้าเราไม่มีอุปท า, านเราจะเอาสิ่งเรานั้นมาตั้งอยู่ภายในตัวเราไม่ได้หมายถึงว่าเราเชื่อแต่เราไม่มีอุปท า, านในสิ่งที่เชื่อหรือคือมไม่ไปยึดถือในสิ่งที่เชื่อนั้นว่าถูกต้องจริงแม้สิ่งที่เชื่อนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกเราก็ไม่สามารถนําสิ่งที่ถูกต้องมาตั้งมั่นไว้ในใจเราได้อุปท า, านจึงต้องมีการยึดคือยึดมันต้องยึดอยู่แล้วแหละเพราะเราเป็นบุรุษชนทั่วไปก็ต้องมีการยึด ผู้ที่หมดอุปทานก็คือพระอริยเจ้าพระอรหันต์นั่นแหละที่ท่านไปยึดและท่านม่เชื่ออะไรอีกทั้งสิ้นเขาว่าไม่เชื่อหมายถึงว่าไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าอะไรประเภทนี้นะเขาบอกไม่เชื่อในความหมายพระเจ้าไม่ต้องในในความหมายของพระอริยเจ้าคือไม่ต้องใช้ความเชื่อใดๆอีกแล้วเพราะท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงตามหลักคําสอนนั้นอย่างชัดเจนแล้วไม่ต้องโน้มใจเชื่อไม่ต้องตั้งใจเชื่ออย่างเงี้ยหรือไม่ต้องใช้ปัญญาพี่นะไข้ควรเพื่อที่จะเชื่อไม่ใช่อย่างนั้น ท่านหมดเหตุแห่งการเชื่อและไม่ได้เชื่อเพราะคําของใครไม่เชื่อเพราะว่านี่เป็นคําของผู้ได้เจ้าจึงเชื่อแต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสอนนั้นน่ะพี่ณาอย่างแจ่มแจ้งรู้เห็นอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจยอมรับว่าสิ่งนั้นถูกต้องแล้วก็พูดคําว่าเชื่อตามบูหารของชาวโลกที่เขาต้องพูดกันแต่จริงๆแล้วพระอารหันต์ท่านไม่ต้องใช้ความเชื่อใดๆเพราะฉะนั้น อุปทานต้องมีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรมรมดาศรัทธานในเรื่องใดอุปทานก็จะยึดในเรื่องนั้นจึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความเชื่อว่า <S 2> <S 2> <S ความเชื่อเนี่ยเป็นตัวนํานำนำตัวเราที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเชื่อหากเราเชื่อในสิ่งที่มันหลงงม ง, งายตัวเราก็จะไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความหลงงม ง, ง, ง, ง, งายอุปทานนั้นตัวนั้นแหละจะทําให้เกิดการยึดถือ ยึดมั่นถือมั่นและสิ่งที่มันเป็นความหลงงมงายก็จะเป็นคุณสมบัติติดอยู่ภายในตัวเราเราก็จะเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิหลงงมงายอยู่อย่างนั้นและเมื่อศรัทธาและยึดในสิ่งที่เชื่อในศรัทธานั้นสมาธิิหากเชื่อถูกและอุปทานยึดถือถูกสมาธิิก็จะตั้งใจไว้ถูกได้ตั้งมั่นถูกในสิ่งที่เชื่อได้แต่หากเชื่อผิดอุปทานผิด อุปทานก็ยึดถือในสิ่งที่ผิดไปก็จะเกิดเป็นมิจฉาสมาธิคือการตั้งใจไว้ผิดเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นตัวสําคัญที่พระอง์ทรงกล่าวไว้ในองค์ธรรมไม่ว่าจะเป็นองค์ธรรมใดๆก็ตามมักจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อแม้แต่ในคราวครั้งที่พระงค์จะประกาศพระศาสนาพระองค์ก็กล่าวกับพรมว่าบัดนี้ เราจะแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางและงามในที่สุดบุคคลผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์จงปล่อยศรัทธามาเถิดเนี่ยคือหมายถึงว่าตั้งความเชื่อไว้ในพระองค์เถิดไม่นานเพาจับสามารถกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกได้พระองค์ก็ว่าอย่างนี้นแล้วบุคคลผู้มีปัญญาเชื่อตามพระองค์นี่คือความหมายของคําว่าศรัทธาอุปทานแล้วก็สม า, สมาธิ มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าศรัทธานั้นเชื่อถูกหรือเชื่อผิดเชื่อถูกมันก็จะนํามาซึ่งสมาธิที่ถูกก็หมายถึงว่าศรัทธานั้นต้องประกอบไปด้วยสมาธิฐินั่นแหละคือความเห็นที่ถูกต้องน่าจะประมาณนี้แล้วก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์เทศเรื่องเจริญปัญญาชัดครับมันไม่เที่ยงจริงครับเพียงแต่ให้เรามีสติรู้เท่าทันไม่ยอมเผลอตัวตนให้ไปไปให้เกิดครอบงํา อ๋อแค่นี้นะพระอาจารย์พวกที่เขาเห็นผีกราบไหว้ผีเขาก็ว่าเขาสันติโกเหมือนกันก็สันติโกแบบมิชาทิธิเห็นผีไม่จําเป็นต้องไหว้ผีเนี่ยเห็นคนไม่เห็นต้องไหว้คนบางคนไม่รู้จักก็ไม่เห็นต้องไหว้เห็นผีไปรู้จักกับผีตัวนั้นตั้งแต่ตอนไหนถึงจะไปไหว้เขาใช่ไหมเห็นคนแท้ๆยังเรายังบางคนไม่รู้จักเรายังไม่ไหว้เลยเราเราจะไหว้แต่คนที่เรารู้จัก ที่เห็นผีไม่รู้เป็นผีมาจากชาติปางไหนนั่นไปไหวเขาผีเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนก็ตามถ้าไม่ใช่หยากไปไหวทําไมหมดในการคาถามนะก็ตอบคาถามในสิ่งที่ได้เคยได้รับสดในเขาก่อนแล้วก็คําถามที่ตั้งไว้ตอบหมดไม่มีค้างกันแล้วนะคนที่ถามคําถามเข้ามาอในวันนี้อตาตมาได้ ได้ได้ปาลบถึงการที่โยมเขามาขอให้อัตมาอธิบายการปฏิบัติสําหรับบุคคลผู้เริ่มปฏิบัติแบบใหม่ๆว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรคืออยากให้อธิบายในลักษณะของคนที่ยังไม่เคยฝึกภาวนาหรือฝึกทำมาก่อนเลยว่าจะปฏิบัติภาวนาอย่างไรเริ่มต้นอย่างไร การเริ่มต้นไม่มีความยุ่งยากอะไรจะจะขอแนะนาว่าการเริ่มต้นในการปฏิบัติภาวานานั้นไม่ไม่ได้ยุ่งยากคาว่าไม่ยุ่งยากก็คือทำเลยทำเลยนะทำยังไงคือแบบวิธีมันมีมากนะเมื่อแบบวิธีมันมีมากอาตมาจะไม่พูดถึงแบบวิธีอื่นที่มันมีมากอยู่ก่อน ก่อนก่อนอาตมาจะเกิดด้วยและก่อนอาตมาจะมาบวช ด, ด้วยและก่อนอาตมาที่จะมาปฏิบัติ ด, ด้วยจะไม่พูดถึงเรื่องเรื่องแบบที่มีมากเหล่านั้นก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยรับรู้รับสัมผัสกันมาแล้วแต่จะพูดในแบบที่อาตมาปฏิบัติด้วยตัวอาตมาเองและกําลังสอนให้ลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้การปฏิบัติเริ่มแรกแรกที่สุดเลย ที่อตาตมาเห็นความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติที่จะต้องมีจําเป็นอย่างยิ่งยวดไ ม, ไม่ไม่มีไม่ได้ก็คือพระราตนตรัยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องสมาทานตนเข้าถึงพระราตนตาเตยให้มั่นคงในพารัตนาเตยคําว่าสมาทานพาราตนาเตยให้มั่นคงในพารัตนาเตยหมายถึงว่าเราจะต้องมีใจยึดถือยึดพึ่งพระราตนตาเตยโดยส่วนเดียวคําว่ายึดถือยึดพึ่งพารัตนตาเตยโดยส่วนเดียวนั้นคือยึด พระรัตนตรัยโดยความเป็นพระรัตนตรัยจะต้องไม่ยึดพระรัตนไตยทางด้านรูปเคารบวัตถุเครื่องรางมงคลของขังปูกเศกเครื่องศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาที่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องช่วยเหลือคุ้มครองปกปังรักษาชีวิตเราได้พระรัตนไตรยเหล่านั้นไม่ใช่พระรัตนตรัยในความหมายที่อาจมาต้องการจะให้เข้าถึงแต่อาจมาต้องการจะให้เข้าถึงพระรัตนไตยที่เป็นพระรัตนไตคือความเป็นพระพุทธความเป็นพระธรรม ความเป็นพระสงฆ์ทีนี้ก็จะเกิดคําถามว่าความเป็นพระพุทธความเป็นพระธรรมความเป็นพระสงฆ์นั้นเราจะเข้าถึงได้อย่างไรและความเป็นพระพุทธความเป็นพระธรรมความเป็นพระสงฆ์นั้นอยู่ที่ไหนหางไม่มีรูปเคารพเป็นที่ตั้งปรากฏให้รับรู้รับทราบทางสายตายึดถือและเห็นเห็นกันได้อย่างเงี้ยคือพูดพา ร, รัตนไตในชั้นของออนามธรรมเนี่ย ไม่รู้จะ ก, กําหนดหมายอย่างไรในจิตใจของคนบงคลกําหนดหมายไม่ถูกอาตมาก็จะขออธิบายว่าคําว่าพุท ธ, ธคําว่าธรรมะคําว่าสังฆะสามคำนี้เราสามารถระลึกได้และเราสามารถพูดได้และเราก็รู้ว่าคําว่าพุท ธ, ธเขียนอย่างไรคําว่าธรรมะเขียนอย่างไรและคําว่าสังฆะเขียนอย่างไรเราก็สามารถเขียนได้จดจําได้ระลึกได้ พูดหรือกล่าวออกมาได้คำสามคํานี้เวลาเราพูดเราระลึกหรือเราเขียนหรือเราจดจําไว้เนี่ยคำสามคํานี้ให้ความรู้สึกอย่างไงกับเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ความรู้สึกอย่างไรอาตมาเชื่อว่าการที่เราระลึกถึงหรือพูดถึงหรือจดจําหรือเขียนสามคำนี้ออกมา 3มคำนี้ย่อมจะต้องปรุงแต่งจิตให้เราเป็นกุศลแน่นอนหรือทําให้เกิดจิตที่ดีแน่นอนเชื่อว่าไม่มีใครพูดถึงพระพุทธเจ้าในด้านชั่วร้ายไม่มีใครพูดถึงพระน์ธรรมในด้านชั่วร้ายและไม่มีใครพูดถึงพระสงฆ์ในด้านชั่วร้ายนอกจากคนที่ไม่มีจิตเลื่อมใสในพระศาสนานี้หรือคนต่างศาสนาที่เขาไม่ได้มีความเลื่อมใสเขาจะพูดไปด้านร้ายอันนั้นก็เป็นทิฏฐิของเขาแต่อันนี้พูดถึงในวงของผู้พูจปฏิบัติ นะเมื่อเราพูดถึงเขาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความรู้สึกนี้จะต้องเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นกุศลธรรมแต่ความรู้สึกเหล่านี้มันไม่ได้ถูกฝังแน่นไว้ในจิตเราแนะม้จะเป็นกุศลก็ตามแต่ไม่ได้ฝังแน่นเพราะความรู้สึกในความเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ฝังแน่นภายในจิตในใจเร า, เรานั้นแหละเราจึงไม่สามารถนะสัมผัสกับความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยหลักธรรมชาติและไม่เห็น อำนาจแห่งพระรัตนตไตยเป็นเครื่องรองรับทางจิตใจตรงถามยมน้องการระลึกถึงผู้ได้เจ้าพระพระสค์แต่ก่อนนี้กับตอนนี้มันแตกต่างกันอย่างไรมันมันก็แตกต่างเองค่ะมันมันรู้สึกอยู่ข้างในด้วยตัวเองเอะค่ะรู้สึกมีเครื่องรองรับอยู่ภายในจิตภายในตนเองและเห็นว่าอำนาจพระรัตนตไตยมีอยู่จริง แต่ก่อนนี้เคยยึดถือพระนารายทางด้านลูกเคารพเครื่องรางของขั ง, งมาใช่ไหมแล้วมีความรู้สึกอย่างไรในตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนั้นมันก็คืคิดยึดไปตามเรื่องตามฮารากที่เขาถือตามตามกันมาเชื่อตามตามกันมายึดแล้วยอมรับตามๆกันมาใช่ไหมแต่ไม่ได้เกิดการลองรับภายในจิตมันไม่มีอะไรมาขึ้นคือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นสิ่งดีๆขึ้นมารองรับในจิตใช่ไหม แต่ดีใจว่าได้อะไรได้รูปเหรียญ น, นั้นมาได้ของถัง น, นั้นมาดีใจอยู่แต่ว่าเครื่องรองรับทางใจไม่มีใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือความแตกต่างถามว่าการยึดถือในทางด้านลูกเคารพกับการที่เราไม่ได้ยึดถือทางด้านลูกเคารพเรายึดถือโดยนมามธรรมอะไรอุ่นใจมากกว่ากันก็ที่มีความรู้สึกอุ่นใจได้ว่าเรา เราสามารถมีที่พึ่งทางใจได้อย่างแท้จริงอย่างาาเงี้ยทางด้านนามะธรรมเนี่ยพรลัดนาไตทางด้านนามประธรรมมันจะรู้สึกในใจมันมันมันอยู่ข้างในเรือ่ออะในความรู้สึกนะคะมันมันยังไม่ถูกตั้งตั้งแต่ที่เราสมาทานเข้าถึงรัตนไตในข่าวครั้งแรกนั้น่ะวิธีปฏิบัติทํำยังไง ก็คือน้อมเอาพระธรรมคำสอนเข้ามาใส่ในจิตในใจหมายถึงว่าวิธีการโน้มใจเข้าถึงพระรัตนตรัยนะก็ระลึกถึงคําสอนค่ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรเวลาเราลึก ถ, ถ, ถึงพระพุทธเจ้าเลกถือคำสอนค่ะระลึกถึงพระธรรมล่ะาการปฏิบัติ ข้อทำข้อทำหรือว่าตัวสิเป็นสัจจะนั้นแล้วถึงสงศ์ทำไงแล้วลึก อ, อย่างไรเป็นแล้วเเห็น ก, ก, ก, ก, การแนวทางการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามประพัติดีปฏิบัติชอบในในสิ่งที่เราละลึกถึงอย่างนี้อยู่เสมอมันเกิดความขัดแย้งภายในใจในความรู้สึกที่เคยยึดถือในทางด้านลเคารบกับแต่ ก, รกร่อนมาหรือเปล่า ช่วงแรกมันก็ไม่ได้ขาดเพราะเมื่อก่อนนมันยึดก็เคยจับแต่ว่ามีกับเขาไปตาตามมาจริงแลไม่ได้ออกมาใส่ในสิ่ในใจด้วยค่ะอ๋อก็ถือตามๆไปไม่ได้มีความรู้สึกเป็นเครื่องขัดขัดขัดแย้งกับความยึดถือเก่าแต่มันจะมีผลสําหรับคนที่เคยยึดถือแบบฝังแน่นมาทางด้านลูกค้าโรตอันนั้นจะมีความขัดแย้งอยู่ภายในอยู่ลึกๆว่าขาดขาดอะไรไปบางอย่างขาดเครื่องคุ้มครองขาดเครื่อง รักษาอะไรวุเหตนั่นนะจะเป็นทํานองนั้นนี่คือเรื่องลำหน้าลำบาสําหรับบุคคลที่เคยยึดถือทางด้านลูกข้าวลบมาทางท่านพัลตนาไทยที่เป็นด้านลูกข้าวลเมื่อนเป็นความลําบากอย่างนั้นอาตมาก็จะบอกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าความเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์หากเรา ล, ลึกถึงอยู่เสมอว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอปเสริฐของข้าพเจ้าหากใครระลึกถึงอย่างนี้อยู่บ่อยๆ ย, ย้ำๆซ้ำๆเนืองๆเรื่อยๆระลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับความเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเมื่อนั้นในข้อการกาหนดระลึกนี้ไม่จากัดการไม่จากัดเวลาระลึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นพ่อกระแสของจิต เราจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะธรรมะสังขะได้เชื่อมโยงโดยการระลึกถึงหากกระแสจิตเราไม่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระจันตาใจฐานหลธรรมชาติก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงกับจิตได้เพราะฉะนั้นการที่จะให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นเชื่อมโยงรองรับกับจิตใจเราได้เราก็ต้องระลึกถึงอยู่บ่อย ตั้งจิตโน้มเอ็นโอนจิตโอนใจโน้มจิตโน้มใจเข้าถึงระลึกถึงอยู่เสมอความเป็นพาลต์ไต่ก็จะเริ่มฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจเราเมื่อความเป็นพาลตนไต่ฝังแน่นอยู่ใ น, ในใจิตในใจเราแล้วมันจะเกิดการรองรับขึ้นในภายในอาตมาเห็นความสําคัญของการเข้าถึงพระาลต์ไต่นี้ว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในเริ่มแรกแรกที่สุดนั้นจะต้องละการยึดถือพาลต์ไต่ทางด้านที่ผิด คือพาราตนาใจที่ไม่ใช่พาราตนาตจออกออกไปจากการยึดถือยึดพึ่งก่อนเช่นพราตนาตายทางด้านลูกเขารบเครื่องรางของขังวัตถุปุสเสกเหล่าเนี้คือต้องวางพาราตนาตายในเรื่องพวกนั้นออกไปให้หมดแล้วสมาทานพาราตนาตายทางด้านนามธรรมาโดยประกาศอธิษฐานทำจิตกำหนดหมายระลึกอยู่สม่ำเสมอว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอเบเส ร, รของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประสรของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัปรสรของข้าพเจ้ากําหนดจิตระลึกนี้อยู่เป็นประจำทําจนเป็นความรู้สึกติดอยู่ในความคุ้นเคยจนเกิดจิตระลึกเองโดยอัตโนมัติให้ได้อันนี้หาทําได้ขนาดนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยนั่นคือถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมของจิตเข้ามาสู่การภาวนาเข้ามาสู่การปฏิบัติ พอถ้าไม่เริ่มต้นด้วยพระรัตนตรัยเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้ามาสู่การปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามและเข้าถึงมรรคผลในทางศาสนานี้ได้เพราะประตูที่จะเข้ามาสู่ศาสนานี้คือเข้าทางด้านพระรัตนตรัยเท่านั้นพระรัตนตรัยที่พระพุทธเจ้าทรงให้พุทธบริษัทสมาทานหรือแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคือการแสดงตนว่าพระพุทธศาสนาเนี่เป็นของเรา ก็ก็ให้ประกาศตัวเองเข้าถึงพระราตรายอย่างที่ว่านี่เป็นประตูแรกเริ่มแรกเมื่อพระราตรายเชื่อมโยงกับกจิตใจเราได้แล้วจากนั้นเราก็มาเจริญกรรมฐานปฏิบัติโดยการเจริญกรรมฐานขึ้นแล้วกรรมฐานที่ตมาจะให้เจริญขึ้นนั่นก็คือการท่องธาตุกรรมฐานสีคือบทธาตุกรรมฐานสีเนี่ยเป็นบทที่เราจะต้องเจริญขึ้นเป็นกรรมฐานต้องเข้าใจคําว่ากรรมฐานคำว่ า, ากรรมฐานคือว่าที่ตั้งแห่งการกระทํา คำว่าที่ตั้งแห่งการกระทำน่ะใครเป็นผู้กระทําจิตเป็นผู้กระทําเอาจิตเป็นผู้กระทํากระทํำยังไงกระทําโดยการท่องเบื้องต้นต้องท่องเพราะฉะนั้นเรามีบทท้าวกรรมฐานสีเป็นที่ตั้งแห่งการกระทําของจิตพูดยังไงว่าการงานทางโลกเราก็ทําการงานทางโลกตามหน้าที่รับผิดชอบของเราไปแต่การงานภายในจิตจะต้องท่องท้าวกรรมฐานสีคาว่าท่าองท้าวกรรมฐานสีนี้จะต้องท่องแบบไหน ก็มันมีแบบให้ท่องธาตุกับประธานสีธาตุสีคือธาตุดินที่นี้จะมีแบบอยู่เดี๋ยวจะลงลงให้ให้ใ ห, ให้ลงไปในเนี่ยเอาไปท่องกันลงไปในเพจเนี่ยสำคัญที่สุดวันหนึ่งนะต้องท่องให้ได้อย่างน้อย10เที่ยวหรือ10รอบเป็นอย่างน้อยนะัก็อย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างขี้หมูขี้หมานะอย่างน้อยเลยสิอย่างมากไม่จํากัดได้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีแต่อย่างน้อยให้ได้สิ ท่องอย่างนั้นแหะคาดกับประทานสีเนี่ยทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีก่อนนอนก็ท่องจนหลับตื่นนอนก็ท่องต่อขึ้นคือการงานทางจิตเราอย่าลืมว่าจิตมันมีการงานในภายในที่หากเรามุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์หรือความหลุดพ้นเราจะต้องเข้าใจว่างานอื่นไม่สําคัญเท่ากับงานของการภาวนาเพราะฉะนั้นจิตของเราจะต้องตั้งอยู่กับฐาน เพราะนั้นเราจะเอากรรมฐานสีเป็นที่ตั้งภายในจิตแห่งการกระทําทําจิตของเราให้ตั้งอยู่ในฐานนี้โดยการท่องธาตุกรรมฐานสีจนขึ้นใจบทธาตุกรรมฐานสีจะต้องท่องจนคํามาขึ้นใจเห็นไหมใช่ว่าจะต้องท่องให้จิตมันท่องขึ้นมาเองภายในใจมันฝังแน่นอยู่ในใจเมื่อใดก็ตามที่ใครสามารถท่องธาตุกรรมฐานสีจนสามารถท่องขึ้นมาเองได้ในใจอันนั้นแหละคือเขาเรียกว่าบรรลุถึง พื้นฐานแห่งการท่องาธาตุในเบื้องต้นแล้วนั่นคือประโยชน์สําเร็จประโยชน์ในเบื้องตน้นเมื่อท่องแล้วปั๊บเนี่ยคือท่องจนขึ้นใจได้แล้วก็มาพิจนารณาแยกแยะร่างกาย6ขั้นตอนและการพิจารณาแยกแยะร่างกาย6ขั้นตอนก็จะมีแบบให้อีกอยู่ว่าแบบคืออัตมา ร, รวบรวมออกมาเองจากการปฏิบัติของอัตมาเองแบบ6ขั้นตอนก็มีขั้นตอนแรกคือขั้นตอนท่องการบทลมหายใจบทลมหายใจก็คือ มองเห็นสภาพร่างกายของเราที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยเวลามันบดลมหายใจลงไปพับเนี่ยสภาพร่างกายเหล่านี้เราจะมีความรู้สึกในกายไหมแล้วร่างกายที่มันไม่มีความรู้สึกในตัวเราอีกมันจะเป็นยังไงมันก็แค่ร่างกายอันหนึ่งเปลี่ยนเสมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะก็ล้มทับแผ่นดินก็กําหนดหมายขึ้นมาว่าร่างกายเหล่านี้นอนอยู่บนแผ่นดินก็เลยบอกบดลมหายใจเมื่อกําหนดให้ร่างกายนี้บดลมหายใจคือคิดเอานะกำหนดอ่ะ คือคิดต้องใช้การคิดก็เรียกว่าการพิจารณาพิจารณาก็คือคิดนั่นแหละแต่แต่เป็นการคิดอยู่ในเหตุผลจึงใช้คําว่าพิจารณาเมื่อพิจารณาร่างกายในขั้นตอนแรกคือหมดลมหายใจก็พิจารณาขั้นที่สองเขาเรียกว่าขั้นตอนของพองขึ้นอืดเพราะร่างกายเมื่อหมดลมหายใจแล้วถัดไฟออกจากร่างกายร่างกายก็เย็นถัด ลมออกจากร่างกายคือหมดลมหายใจไปแล้วลมก็ดับเหลือแต่ดินกับน้ําในร่างกายเราน้ําจะดันดินออกมามันก็เลยเริ่มบวมพองขึ้นอืดอันเนี้คือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขั้นตอนอะไรเปื่อยเน่าออเหรอเนี่ยเห็นไหมขนาดคิดออกมาเองยังจําไม่ได้เลยขั้นตอนหขั้นตอนเนี่ยน้ํำดันดินออกมาน้ําจะดันดินออกมาขั้นตอนที่สามมันก็จะเริ่มปีแตกแค่แมล่ละ เปื่อยเน่าดิขั้นตอนที่สามอยู่เปื่อยเน่าขั้นตอนที่4ี่นี่ก็ปีปีแตกออกมาน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําหนองน้ําอะไรไหลออกมาเยอะไม่หมดขั้นตอนที่ห้าน้ําละลายดินมันก็จะเปื่อยยุ่ยสลายเหลือแต่โครงกระดูกใช่ไหมละ่ะ แ, แต่หัวกะโหลกให้เรากําหนดเห็นตั้งแต่หัวกะโหลกโครงกระดูกน้ําละลายดินก็คือมันเปื่อยเน่าซึมลงสู่ดินน้ําก็ซึมลงสู่ดิน เนื้อหนังบางสังที่ละลายหรือเปื่อยเน่าย่อยสลายนั่นก็อย่อยสลายไปเป็นดินอย่างนี้คือเห็นการแยกของร่างกายเพราะนั้นเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกแลาวก็พี่นะขั้นตอนที่6โครงกระดูกเนี่ยคือพี่นะเห็นโครงกระดูกเนี่ยผุกร่อนแล้วก็เมื่อโครงกระดูกผุกร่อนก็ต้องสลายกลายเป็นดินอยู่แล้วคือนานวันเข้ายัางไงจะเป็น10ปี20่สิบปีส0ปีสี่100ปีร0อยปีพันปีห 0,000 นปีแสนปีล้านปีกวพิจารณากําหนดไป เพื่อสร้างกรรมฐานในขั้นตอนการพิจารณาแยกแยะนี้ให้จิตมันได้เข้าใจเมื่อเราพิจารณาขั้นร่างกาย6ขั้นตอนนี้ครบแล้วป ก, ก็กลับไปพิจารณาขั้นตอนที่1 2 3่งสี่ห้กลับไปอีก1 2ึ่งสห้กลับไปอีก1นึ่ง6องสาย้ำยซ้ำ ซ, ำซำ้จนชำนาญในการพิจารณาและไม่ขัดข้องกับการพิจารณาคือพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว พี่นาได้ยังคล่องแคล่วชำนิชำนาญละเอียดนั่นก็คือบรรลุผลในลําดับของการพิจารณาในลําดับที่สองการปฏิบัติในลำดับที่2การปฏิบัติในลำดับที่สมาท่องขันห้าขันห้าประกอบมาจากอะไรกายกับใจแบ่งออกเป็น5กองเรียกว่าขันห้าหรูปคือท่าสีดินน้ำไฟลมประกอบกันเข้าเรียกว่ารูปเงี้ยสองเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างเรียกว่าเวทนาอย่างเงี้ย คือเราต้องมาท่องขัน5้าเมื่อท่องขันห้าชัดเจนแล้วปุ๊บมาแยกแยกขันแยกว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรรูปที่มีอยู่ในตัวเราคืออะไรเนี่ยผลจากการที่เราเรียนรู้เรื่องของธาตุสีตั้งแต่แรกเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของรูปได้เองอัตโนมัติอันนี้ไม่เป็นปัญหาอีกสำหรับเรื่องการพิจารณาขัน เรื่องการพิจารณาขันรูปประขันเนี่ยเราก็เข้าใจได้เลยส่วนเวทนาขันเราก็ต้องมารู้ว่าอาการแห่งความเป็นสุขในชีวิตเราเป็นอย่างไรอาการแห่งความทุกข์ในชีวิตเราเป็นอย่างไรอาการแห่งของความไม่สุขไม่ทุกข์ในชีวิตเราที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ <c oughs> เป็นอย่างไรอาการแห่งการจําสัญญาขันอาการแห่งการคิดสังขารขันอาการแห่งการรับรู้วิญญาณขันมันเป็นอย่างไรเมื่อมาแยกแต่ละอาการแต่ละการที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ที่มันเกิดรับเกิด รับรู้รับทราบรับสัมผัสในแต่ละวันแต่ละครั้งที่มันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดๆเกิดขึ้นก็กําหนดรับรู้ว่าอ๋ออันนี้เรียกว่าเวทนาอันนี้เรียกว่าสัญญาอันนี้เรียกว่าสังขารอันนี้เรียกว่าวิญญาณเมื่อเราสามารถกําหนดได้แล้วว่าอาการเหล่านี้คือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณไอ้รูปเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วเป็นท่าสีนะําหนดมากำหนดรู้นามสีคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ชัดแล้วปั๊บเนี่ยให้เห็นอาการของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเวทนาเกิดรูปเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและดับไปอย่างไรเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและดับไปอย่างไรสัญญาความทรงจําเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและดับไปอย่างไรสังขารความคิดเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและดับไปอย่างไรวิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรนี่คือการปฏิบัติในระดับของการพิจารณาขันเมื่อ การพิ่นาท่าสี่กับขันห้าโดยการที่เราดูขันห้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราจะต้องโน้มขันห้าที่เราดูการเกิดดับนี้เข้าสู่อริยสัจคืออาการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นทางจิตอารมณ์นามธรรมาความรู้สึกสิ่งต่างๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตเราสิ่งเราทั้งปวงเหล่านั้นเป็นผู้ขัดสัจจะเป็น อริยสัจข้อที่1อาการใดๆก็ตามที่เราไปกระทำตอบต่ออารมณ์ด้วยความอยากอันนั้นเป็นสมุทัยสัจจะเป็นอริยสัจข้อที่2ออาการใดๆก็ตามที่เป็นความอยากดับไปทุกข์ก็ดับไปด้วยอันนั้นก็คืออริยสัจข้อที่3ในวันนี้โลดอาการใดๆก็ตามที่เราเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์ได้อันคือมรรค นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องกําหนดรอบรู้ในอารมณ์ที่เกิดกับจิตว่าเป็นระบบของขันกําหนดในขันทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ขัด จ, จกักกาหนดความอยากต่อขันคือตัวทุกข์เนี่ยคืออยากอยากความอยากต่างๆที่เราจะทําการตอบสนองต่อจิตต่อใจตนเองเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องละทุกข์เป็ต้องสิ่งที่ก็กําหนดรู้ได้ยอมรับสมุทัยเป็นสิ่งที่เราต้องละคือความอยากทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้กายคงอยู่ไม่อยากให้กายเจ็บป่วยไม่อยากให้กายแก่ไม่อยากให้กายเจ็บไม่อยากให้กายตายไม่อยากพึงพอใจแต่อยู่ในกายอันนี้ก็เป็นรูปราคาหมายว่ากามราคะยินดีในกายจริงๆเขาว่ากามนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตัวกามแท้ๆมนไม่ใช่ตัวกิเลสกิเลสคือการไม่รู้จักกามตามครามเป็นจริง นั่นคือกิเลสตัวการเป็นแค่ตัวแสดงอาการและภาวะแห่งความความคร่ความน่ายินดีเท่านั้นเองแต่การการที่เราไม่รู้จักความใคร้ความน่ายินดีที่เกิดกับจิตเราเนี่ยในเวลานั้นไม่เห็นว่าไอ้ความความคร้ความยินดีความปรารถนาความต้องการ เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วน่ะจะทําให้จิตเจ้าดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วก็เราก็จะเกิดความต้องการนี่ไงเมื่อเกิดความต้องการก็คืออยากแล้วทีนีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ล า, คว า, าความอยากใน ก, มกมมามความอยากในกามเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปก็เป็นรูปตัณหาความอยากในเสียงก็เป็นสัทธตัณหาความอยากในกลิ่นก็เป็นขันธะตัณหาความอยากในรสก็เป็นละสะตัณหา ความอยากในกายก็เป็นอะไรโทธทพตันหาความอยากในใจก็เป็นธรรมตันหาอยากในธรรมอารมณ์คืออยากให้มีอารมณ์ที่ตอบสนองต่อความอยากของตนตัวเนี้ยคือความอยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องละคือละตัวตันหาแต่ตัวกามมัน มันเป็นแค่ตัวแสดงบ่งบอกถึงความใคร่ในสิ่งที่ก่อให้เกิดความต้องการเพราะความใคร่ตัวเนี้ยคือว่ากามตัวเนี้ยมันเป็นแค่อาการที่แสดงขึ้นทางกายและทางจิต่เงี้ยมันไม่ใช่ตัวกิเลส ท, ที่จะเป็นตัวฝังแน่นเป็นแค่ตัวอาการแสดงอาการให้เราได้รับรู้รับทราบรับสัมผัสต่อสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราดมกลิ่นริมรสสัมผัสแล้วก็ มีอารมณ์เกิดขึ้นทางใจมีภาษาหรือการการใช้คําว่ากรรมในทางธรรมได้ด้วยก็มีเขาเรียกว่าธรรมกามโมผู้ไขในธรรมธรรมกามโมพระวังโหติผู้ไขในธรรมย่อมเป็นผู้เจริญประมาณนี้นะภาษาพูดอาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างไม่แน่ใจว่าเป็นคํานี้หรือเปล่าธรรมกามโมผู้ไขในธรรม ย่อมย่อมเจริญอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกรรมกามโมหรือกามฮะหรือว่าการมนันน่ะใช้ได้ไมกระทั่งในธรรมมีกา ร, รมในธรรมคือใครในธรรมแต่ทีนี้เรามีความใคร่ในโลภเสียงกินรสผัวทพาอารมณ์ที่เกิดกับใจเนี่ยตัณหาก็เลยอาศัยกามตัวนี้เป็นตัวก่อตัวฝังแน่นฝังเชือ้อแห่งพบไว้ในจิตเราตามแต่อาการที่กา ร, รมมันกาหนดไว้ คือเรากำหน ด, ดไว้สิ่งนี้หน้ารักใคร่หน้าพอใจหน้าปรารถนาของเราเราไปกำหน ด, ดสิ่งนั้นไว้หากอะไรก็ตามที่มันผิดจากความหน้ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจของเราอันนั้นเราจะปฏิฆะการกับปฏิฆะเลยมาคู่กันอยู่ตลอดคือพอใจในสิ่งนี้แต่ไม่ไม่พอใจในสิ่งนั้นก็คือการมาราคาปฏิฆะแต่ทีนี้การมราคาปฏิฆะเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปไปละมันในคราวครั้งแรกเพราะมันเป็นเรื่องของพระสกท า, าคามีจะต้องละหรือทําให้เบาบาง แต่นี้เราปฏิบัติเบื้องแรกเราต้องเข้าใจาว่าเราจะองปฏิบัติเพื่อความ เ, าเป็นส่วนอันบันความเป็นส่วนอันบันนั้นผู้จงผู้หญิงใละสกฤติทิวิจิกิจชาศิลปะตปรามาสามประการส่วนกามรมาลาฆ า, าปฏิฆะหรือความโกรธความรักความชังอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปละมันแค่กําหนดรู้ไวอ๋อนี่การมเกิดขึ้นแล้วมั้จะนําไปสู่ตัณหาคือความอยากก็กําหนดรู้ไวอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องละในเวลานั้นหน้าที่ของเราที่จะต้องละในเวลานี้ก็คือการ ทำลายความเห็นผิดในกายให้ได้สิ่งที่จะทําลายความเห็นผิดในกายให้ได้คือการรู้จักขันห้าเกิดดับ1พิจารณากายให้เข้าใจ2พิจา่นาขันห้าและเห็นขันห้าเกิดดับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องกําหนดรอบรู้ในขันห้าคือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันและวิญญาณขันเมื่อกําหนดรอบรู้ขันห้าว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างไรเราจะต้องใช้อริยสัจสีเข้าไปทําการพิจารณาตัดสิน ในสิ่งที่เป็นขันทั้งหมดว่าตัดสินเลยนะเป็นอันแรกเลยนะด้วยสัจจะข้อแรกเลยว่าทุกขสัจจะแน่นอนว่าขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวเราทั้งหมดนั่นแหละคือทุกมันไม่ใช่กิเลสแต่ทีนี้การที่เรายึดถือขันด้วยอำนาจแห่งความอยากตัวเนี้ย ยึดถือขันทั้งพวงยึดถือในโลกยึดถือในเวทนายึดถือในสัญญายึดถือในสังขารและยึดถือในวิญญาณการยึดถืออย่างงี้แหละมันคือกิเลสคื อ, คอตัวเหตุที่เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรากําหนดรอบรู้ตัดสินลงไปได้ว่าขันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวกิเลสตัดสินลงไปทันทีอย่างนี้ไม่ต้องไปแก้บัณแล้วก็ตัดสินลงไปว่าความอยากในขันทั้งปวงในกามตัณหาความอยากให้กามนี้เพิ่มเข้าไปอีกเป็นเพราะว่าตัณหา ความอยากในกามยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวีภาวะตัณหาอย่างเงี้ยกำหนดไ่าอย่างเงี้ยว่าเป็นของควรละเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าขันเป็นทุกข์ควรยอมรับไม่ต้องไปละมันเราก็ไม่ต้องละเราก็รอบรู้กันกาหนดรู้กันสมบูทไทยคือกามตัณหาภาวะตัณหายุบภาวะตัณหาเนี่ยเป็นของควรละเราก็ทาการละเราจะรู้กิจในการละ ละอย่างไรทีนี้ไอตอนละเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเวลาการเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องไปละมันอย่างนี้ไม่ใช่นะในความหมายของว่าสมุทัยคือตัวกามตัวเหตุเนี่ยตัวตัณหาเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยในความหมายของสมุทยัยพุทธเจ้าบอกว่ารู้ว่าอะไรคือตัณหารู้ว่าเราจะปฏิบัติต่อตัณหานี้อย่างไรรู้ว่า ปัญหานี้เราได้ปฏิบัติต่อมันหรือยังเมื่อเรารู was, ้ว่าอะไรคือต right ัญหาก็คือความอยากนั hmm. ่นเองคือตัญหาเมื่อรู้ว่าความอยากคือตัญหาเราควรยังทำยังไงกับตัญหาก็ต้องรู้ว่าปัญหาเป็นของควรละนี่พ่อตัญหาคือสมุทัยเพราะรู้สมุทัยรู้การปฏิบัติต่อสมุทัยแล้วก็ปฏิบัติต่อสมุทัยนั้นก็คือรู้ตัญหารู้ว่าปัญหาเราจะต้องละมันรู้ว่า ตันหาเราละได้หรือยังไม่ได้ในความข้อนี้เราต้องตีตรงนี้ให้แตกว่าตัเรารู้ว่าตันหาคือตัวเหตุให้เกิดทุกข์และรู้ว่าเราจะต้องละมันแต่ในคาว่าเราจะต้องละมันนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปละแต่ให้เรารู้ว่าเราจะต้องละเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าไปละส ง, สงสัยไม่ตรงนี้หรืองงไม่ตรงนี้ หมายถึงว่าเวลาเราเห็นตัญหาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปละตัญหาแต่ถ้าเรารู้ว่าตัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องละมันแต่เวลาเป็นตันหาเกิดขึ้นเราไม่ต้องเข้าไปละมันแต่รู้ว่าเราจะต้องละตรงเนี้สงสัยไหมใช่ให้รู้เฉยๆแต่อย่าเข้าไปละมันแต่รู้ว่าเราจะต้องละมันทําไมถึงต้องรู้เฉยๆ ทำไมเรื่องละมันไม่ได้ตาาามมมมควออยงใช่ัันนถูกต้องมันไม่ได้ดับตามความอยากของเราเพราะเราเห็นตันหาปุ๊บแล้วเราจะเข้าไปดับมันเนี่ยโดยใช้ความอยากเข้าไปดับมันมันก็ยิ่งยึต่อความอยากเพราะฉะนั้นในทําข้อเนี้ยวิธีง่ายๆที่จะปฏิบัติต่อตันหาคือรู้ว่ามันเป็นตันหาเฉยๆเพราะอะไร เพรเดี๋ยวมันก็ดับเพราะหาใครรู้ว่าเป็นตัณหามันจะดับเองใช่ไหมถ้าที่ที่มันไม่ดับเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นตัณหานั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นตัณหาของเราไม่รู้ว่าเออเราตัณหาในรูปตัณหาในสิ่งที่เห็นนะไปชอบปิ่งไปเห็นเสื้อสวยๆกระเป๋างามๆรองเท้าที่ดีๆโกโก้โทรศัพท์ที่รุ่นใหม่ก็เอาตัณหารูปตัณหาเกิดขึ้นพอรูปตัณหาเกิดขึ้นนึกถึงแล้ว เงินกูมีเท่าไหร่น้อในกระเป๋ากําหนดไว้แล้วอาส่วนนี้จะใช้นี่ส่วนนั้นจะจ่ายค่านั้นส่วนนี้จะจ่ายค่านี้ไอ้ส่วนนี้ยังพอเหลือแล้วดูราคาเออมันเริ่มร้อนแล้วทีนี้ไม่พอเว้ยเนี่ยก็คิดกันอยู่นั้นแหะคิดอยู่ในจิตในใจอยู่นั่นแหละเมือม่อไหร่มันจะพอนะ่ะเดี๋ยวเงินเดือนนี้ออกจะมาสมทบเพื่อให้ได้อะตัวนี้มาก็คิดอยูนั่นแหละก็เร่าร้อนขึ้นมาในระหว่างนั้นเพราะนั้นในความหมายถามว่าเอาเป็นอย่างงี้มันผิดด้วยเหรอมันไม่ผิดหรอก มีเงินไปซื้อแล้วไปซื้อมันไม่ผิดหรอกสนองตัญหาก็ไม่ผิดแต่ปัญหาคือว่าเราได้เห็นปัญหาเกิดขึ้นไหมในเวลานั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันดับไปไหมจังหวะที่ตัญหาเกิดขึ้นจะเราจะเกิดความดิ้นรนและเดือดร้อนแต่เมื่อเราสามารถเห็นตัญหาดับได้โดยที่เราไม่ต้องไปละมันแค่รู้ว่านี่คือตัญหาแล้วมันก็จะละพอละมันไปละปบความร้อนรนในใจก็หายไปไม่ใช่ว่าเราจะห้ามการซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ถ้าเรามีทรัพย์ก็ซื้อไปเถอะ พ่อพุทธิย่อบอกว่าการใช้จ่ายรับถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของค้าราชกใช่ไหมเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะมีเงินแล้วไปจ่ายซื้อนั่นซื้อนี่ช้อปปิ้งแม้จะไม่ไม่มีอะไรก็มันได้ความสุขอย่างหนึ่งกันนะ <c oughs> ใช้จ่ายทรั์อันนี้นสำหรับคนทั่วไปสำหรับขลังว่านทำนองเนี้ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าทุกเราต้องรู้ตัณหาเราต้องละ แล้วก็รู้ว่าเราจะต้องละแต่อย่าไปละมันเดี๋ยวมันก็ดับมันเพราะตัญหาก็ตกอยู่ภายใต้การเกิดดับใช่ไหมเงี้ยมันไม่ต้องไปละมันหรอกแล้วเราเห็นตัญหานั้นดับนั้นเป็นอะไรเป็นนิโรธเราก็จะเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาอ๋อปัญหาเกิดได้ดับได้เมื่อตัญหาเกิดได้และดับได้เราก็จะเห็นตัญหาที่เกิดและดับอเราก็จะรู้ว่านี่คือสมุทยัยแล้วก็เวลาสมุทัยดับก็เป็นนิโรธ เมื่อเราเห็นตันหาเกิดตันหาข้อนิโลดหมายถึงว่าความดับไปของตันหาถูกต้องไหมเป็นของควรทำให้แจ้งรู้อะไรรู้นิโรธเมื่อรู้นิโรธก็รู้ว่านิโรธควรทำให้แจ้งแล้วเราได้ทำให้แจ้งหรือเปล่าคือได้เห็นการดับไปของตันหาหรือเปล่าท่านน้องเนี้ยใช่ถ้าเห็นการดับของตันหาได้ก็แสดงว่าเป็นผู้ทานิโรธให้แจ้งแล้วและทีนี้บุคคลผู้รู้ทุกกาหนดรู้ว่า ขันทั้งหมดไม่ใช่กิเลสเป็นทุกขสัจจะตัดสินลงไปเลยเป็นทุกขสัจจะอาการแห่งตัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสมุทัยสัจจะตัดสินแล้วตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่ต้องละแต่ไม่ต้องละมันแค่รู้มันว่าต้องละและเหตุเมื่อเห็นตัญหานั้นดับไปก็เป็นนิโรธคือดับไปความดับไปของตัญหาแจ่มแจ้งบุคคลที่ทําได้อย่างนี้แหละเรียกว่าจเจริญมากมากเกิดขึ้นแล้วคือเป็นผู้ ปฏิบัติในข้อมรคในข้อมรค ก, กำหนดไว้เลยชัดเจนว่าข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ใช่ไหมหรือว่าทางดําเนินเพื่อความดับทุกข์ข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปแห่งความดับทุกข์เนี่ยข้อมรค ก, กํากับไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีการพระพุทธเจ้าจึงกําหนดไว้ว่าทุกเป็นของควรกําหนดรู้สบู่ไทยเป็นของควรละนิรโทษเป็นของควร น, นาให้แกล้งมรคเป็นของควรเจริญขึ้น เมื่อเราสามารถพิี่นะท่าสี่ขันห้าเห็นการเกิดดับของขันห้าแล้วเอา อ, อริยสัจ ส, สเข้าไปอธิบายในสิ่งที่เราเห็นการเกิดการดับกิจหน้าที่ที่เราจะต้องทําก็คือเห็นทุกเห็นสมุทัยที่เกิดแล้วก็เห็นสมุทัยที่ดับก็เป็นนิโรธเราก็จ ะ, จะเจริญมรรคอยู่ตลอดเมื่อมรรคบริบูรณ์เต็มที่ภายในจิตของเรามันจะทําการประหารอสวกิจหรือทําลายความไม่รู้เอง ขั้นตอนมันก็มาถึงลําดับนี้เมื่อขั้นตอนถึงเข้ามาระดับนี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นสันทิทิโกรู้ภายในตนเป็นปัจจตางเวทิตาโบรู้ได้เฉพาะตนว่าจิตของเราความทุกข์น้อยลงไปเท่าไหร่หรือความทุกข์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือมันดับทุกข์ได้อย่างถาวร อ, อย่างไรก็จะรู้ภายในตนเพราะลําดับการปฏิบัติจะมาอย่างนี้นี่แหละอธิบายไว้เป็นเขาโครง ลักษณะของการประพฤติปฏิบัติทีนี้งคนก็บอกว่าที่พระอาจารย์อธิบายมาทั้งหมดนี่ไม่เห็นพระอาจารย์บอกให้ไปนั่งสมาธิหรือการทําสมาธิอยู่ตรงไหนมีแต่บอกว่าให้มีพระรันตนไตพิจารณาธาตุพ่องขันพีรนาขันดูขันเกิดดับและอริยาสาัจสีและให้อริยาสัจสีนี้โคจร อ, อยู่ในจิตจนแก่กล้าจนเป็นมรรคเจริญเต็มที่ก็จะเป็นปจัจจตังแล้วสมาธานสีไม่สมาทานเหรือ สมาธิไม่ต้องนั่งเหรอือแล้วมันจะเกิดปัญญารู้เห็นตามความจริงได้อย่างไรถามว่าในขณะที่เราท่องธาตสพิจารณาร่างกายเนี่ยเราเรามีเจตนาละเมิดในศีลสีขาบทข้อไหนไหมไ ม, มันก็เป็นศีลอยู่ในตัวแล้วแล้วหากเรามีความตั้งใจในการพิจารณาท่าตสีกับขันธ์ห้าและดูการเกิดดับและเอา อ, อริยสัจสีไปอธิบายในศีลที่เราดูการเกิดดับอยู่นั้นะมันก็เป็นการตั้งใจใจมั่นเป็นสมาธิอยู่ในนั้นแล้ว เมื่อมันเป็นความตั้งใจมันลองรับมีทั้งพระตนะไตยที่บริบูรณ์มีศีลมีสมาธิปัญญาในการรอบรู้ตามอริยสัจก็เกิดขึ้นมันก็เป็นองค์ประกอบทั้งศีลสมาธิปัญญารวมตัวกั น, มนกเมื่อมีกําลังแก่กล้ามันก็จะทำลายกิเลสและก็ทำลายได้อันศีลที่จะสมาทานนะ่ะมันมันเป็นศีลของคนที่ยังไงยังหลงศาสนาอยู่ ศีลของบุคคลผู้เอาเอามรักเอาผลนั่นไม่ต้องไปสมาทานคือสมาทานครั้งเดียวคือครั้งเดียวมาเลยคําว่าสมาทานหมายว่ารับเอามาคือถือเอาถือเอาศีลมาเป็นข้อปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติได้เลยทันทีหมายถึงว่าเรารู้ว่าศีลเนี่ยคือเป็นข้อปฏิบัติรับเอามารับเอาศีล น, นี่มาเพราะศาสนาเนี่ยให้มีศีลใช่ไหมล่ะ แต่รับเอามาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมีสินได้ทันทีเลยมันเป็ น, ปนไปได้หรอกว่าคนทุกคนจะมีศีลได้ได้ทันทีเลยในเวลานั้นเพราะการงานของเรามันก็มีการทํางานในโลกภายนอกที่มันเกี่ยวโยงที่จะเป็นไปเพื่อละเมิดศินก็มีแต่ตั้งเจตนาไว้เสมออยู่ว่าเราจะรักษาสินให้บริบูรณ์ให้ตั้งใจอยู่เสมออยู่อย่างนั้นว่าเราจะรักษาสินให้บริบูรณ์แค่นั้นเองแต่ถ้ามันไม่บริบูรณ์มันก็ไม่เป็นมัญหาก็ตั้งใจใหม่ ตั้งใจใหม่อยู่เรื่อยๆพอมันพลาดพั้งไปเพราะการงานของเรามันมีความเผลออยู่ก็ตั้งใจใหม่ตั้งใจอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นศีลขึ้นมาอยู่เรื่อยๆตั้งอาการที่ตั้งใจใหม่คือเจตนาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละพวกบอกว่าเจตนาหังพิฆเวศีลังวดามีตัวเจตนาเป็นตัวศีลความตั้งใจอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนั่นเป็นเจตนาศีลเป็นศีลที่เกิดขึ้นภายในจิตนี่หลักปฏิบัติมันอยู่ที่นี่สมาธิคือความตั้งมั่นตั้งใจการตั้งใจอยู่เรื่อยๆก็คือสมาธิ การตั้งใจมั่นไม่ต้องไปสมาทานสมาทานหมายถึงว่าเราไปเรียนรู้มาแล้วว่าศีลข้อที่หนึ่งกับข้อที่หคืออะไรศีลข้อที่หนึ่งกับข้อที่8คืออะไรไปเรียนรู้มาอย่างเงี้ยแล้วก็รับมาคือสมาทานอาทานะแปลว่าการถือเอาที่เขาว่าไปถือศีลถือศีลเนี่ยสร้างแปลว่าพร้อมถือเอามาพร้อมถือเอามาประกอบพร้อมภายในตนสมาทานสร้าง บาลีนะภาษาบาลีนะสร้างแปลว่าพร้อมอังแปลงเป็นมะเป็นสมาอาทานะเป็นสัตว์อีกศัพท์หนึ่งแปลว่ายึดถือเอาหรือเอามายึดถือศีลมาแต่ไม่ใช่ไปสมาทานมายังพันเตวีซุ่งวีสุ่ ง, งละคณาทายะอันนั้นไม่ใช่มันไปหาขอศีลนั่นน่ะคนละอย่างอันสมาทานคือถือเอามาแล้วถือเอามาแล้วก็ก็เอามาแต่จะปฏิบัติตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเงี้ยมันไปอย่างเนี้นนย แต่ถ้าเราทำตามทาตามที่อธิบายมาด้วยเขารพงหลักการเนี้ยมันก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวอยู่ในตัวเองอยู่แล้วกิจของศีลก็อยู่ในนั้นกิจของสมาธิก็อยู่ในนั้นกิจของปัญญาก็อยู่ในนั้นเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงเห็นภาพของภิกษุในครั้งพุทธการหรืออุบาสกบสิกาในครั้งพุทธการท่านกม็มาเดไปสมาทานศีลหรือทําพิธีกรรมในการขอศีลหรือทําสมาธิอะไรฟังเทศ พ, พุทธเจ้า พีรณาตามพี่นาตามพิจนาตามพี่นาตามใครควรตามกำหนดหมายตามก็บรรลุมาตามลําดับเนี่ยท่านจะไปในสมาธิก็ตอนเสวยผลแล้วนอนะคือไปนั่งสงบแล้วเสวยผลเหมือนกับพระองค์ทรงตัดสรู้อยู่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิเมื่อตัดสรู้แล้วก็นั่งเสวยผลแห่งการบรรลุสมมาสปวิทยายนั้อยู่เวันไม่กระดุกระดิกเลยแต่ก่อนที่จะตัดสรูนะ้นั่นก็โ hoe พิ่เรณาคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนปฏิสุบัททั้งวันทั้งคืน แล้วปฏิจสุบัตินี้ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรให้มันลึกซึ้งมากหรอไม่มีทางลึกซึ้งหรอกปฏิสุบาทินะแต่ให้รู้เรื่องเราเขาโครงและมูลเหตุความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยของปฏิจสุบตัติว่าเป็นธรรมอนาสัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นเพราะไม่มีใครมีสติปัญญาพอที่จะพิจารณาปฏิจสุบัติให้ลึกซึ้งถึงที่สุดได้มีองค์ธรรมอันเดียวที่ไม่สามารถพิจารณาถึงที่สุดได้คือปฏิจจสมุปบาทเพราะล้าลึกและลึกซึ้งมาก แต่อย่างนั้นแต่พิจนาเพื่อเป็นองค์ประกอบของกิจและกระราบมูลเหตุแห่งวัฏจักรเพื่อที่จะทำลายอาสวะน่ะพิจนาได้แต่เช่พิ่นาถึงที่สุดไม่มีทางเพราะปฏิจจุบารนี้มันลึกเหมือนกับทะเลมหาสมุทรที่ไม่มีใครสามารถหยั่งถึงได้ล้ ล, ลึกลึกล้ำมากนี่คือพูดออกมาจากขอปฏิบัติจึงได้ถ่ายทอดออกมา เพื่อให้พวกเราได้นำไปสู่การปฏิบัติหากใครเชื่อว่าหลักปฏิบัตินี้สามารถเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ก็ขอให้ยอมน้อมรับไปสู่การปฏิบัติหากใครไม่เชื่อก็ปล่อยวางก็ยึดถืออันที่ตนเองถูกกับจริตถูกกับนิสยัยซะว่าถูกจริตกับอะไรก็ปฏิบัติตามนั้นบางคนก็มาขอให้ตามาเทศให้ให้ขอสิ่งที่ถูกกับจริตว่า อะไรกรรมาฐานอะไรถูกกับจริตของโยมพระอาจารย์ช่วยบอกหน่อยอาตามาก็บอกว่าหากปฏิบัติให้ถูกกับจริตตัวเองจริตเป็นเรื่องของกิเลสหากปฏิบัติให้ถูกกับจริตก็ทำปฏิบัติให้ถูกกับกิเลสถ้าปฏิบัติให้ถูกกับกิเลสไม่ถูกกับธรรมสักทีมันจะไปรู้ธรรมได้ยังไงไม่ต้องไปสนใจจริตปฏิบัติให้มันผิดจากจริตตัวเองนี่แหละไปเรื่อยๆพอมันไปถึง มากเบื้องต้นมันจะรู้จดิตตัวเองแล้วมันไม่ต้องไปถามใครว่าตัวเองจะปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมละ่ะยมน้องถูกจรจิตไม่หลับปฏิบัติบางทีบางอย่างไม่ใช่ถูกถูกจรจิตเสมอไปใช่ไหมละ่ะและอันที่ไม่ถูกจดิตนั่นแหละเรามาเป็นเครื่องมือปฏิบัติได้อย่างดีใช่ไหมถ้าจะทําให้ถูกแต่จรจิตถูกแต่ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะี่ยนะคือถูกกับกิเลสนนะ่ะมันก็ละกันไม่ได้สักทีไม่เห็นตัวละ ม, มันจะเข้าข้างตัวเองมันต้องฟื้นสิหลักการมีอยู่แค่ เราสามารถทำลายสักกายทิให้ได้เท่านั้น เ, เองมันคือเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับกิเลสตัวอื่นค ว, ความโกรธความปวดความหลงอย่าเพิ่งไปละมันไอตอนนั้นมันจะละออกมาเองในภายหลังมไม่ต้องไปยุ่งอย่าเอามาเป็นอารมณ์ให้มันยุ่งยากทางกิจทางใจมุ่งไปสู่ที่ว่าเราจะทำลายสักกายติิให้มันดับขาดไปจากจิจได้ยังไงสักกายติิคือความหมายของการที่เรามีความเห็นผิดในกาย พอเรามีความเห็นผิดในกายเองจึงเกิดการยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาประการขึ้นมาความโลภความหลงก็เลยเกิดขึ้นเมื่อทํำลายสักายยิทธิดฐานแรกนี้ได้โลภโกรดหลงมันก็จะถูกคลายถูกละไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปไหนมันจะไม่มีอยู่หรือมันจะไม่มีหรือมันจะเป็นยังไงหรือมันจะอยู่กับเรามันถูกละไปเองมันเป็นกิเลสที่เกี่ยวโยงกันอยู่เพราะนั้นอาตมาจึงปูพื้นฐานในการปฏิบัติ สําคัญที่สุดคือพระรัตตรัยก่อนใครคิดว่าไม่สําคัญนี้อย่าคิดบางคนก็บอกเอาก็เห็นครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านยังยึดถือรันาตนตรัยทางด้านรูปเขารบท่านก็ยังไปถึงมากถึงผลถึงนิพพานอยู่เนี่ยอันนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านบรมีมามากการที่ท่านมีบรมีมามากและท่านปฏิบัติไปถึงนั่นอะ นั่นคือเหตุเฉพาะส่วนตัวของท่านแต่พวกเรานี่บา ร, รมีมันน้อยไงคนบา ร, รมีน้อยคือคนปัญญามันน้อยปัญญาบา ร, รมีมันน้อยจะต้องทำยังไงล่ะผู้เจ้ายังบอกเลยคนบา ร, รมีน้อยเหมือนกันกับการทำนาในที่ดอนหรือที่ภูเขาที่ที่เขาชันคนที่มีปัญญามากเหมือนกับทำนาในที่พื้นราบคนทำนาในที่พื้นราบกับที่เขาชันเป็นยังไง คนทำนาในที่ที่เขาชันนั้นจะต้องทําคันนากักน้ําไว้ให้เยอะเป็นคันนาเป็นคันเป็นคันเป็นคันคนทำนาในที่ลุ่มไม่ต้องทําคันนามากขนาดนั้นขันกักน้ํำคันนานไปดูคนที่เขาทานาในภาคกลางเนี่ยเป็นนาแปลงนายาวพื้นใหญ่พื้นเดียวไปเลยอย่างเงี้ยลาบไงไม่ต้องทําคันนาเก็บกักน้ํามากแต่คนที่มีปัญญาน้อยเนี่ยต้องทําคันนาเก็บกักน้ําให้มาก ทานก็ให้จนพระรันตนไตยสมาทานตั้งมั่นอยู่ในใจทานก็ให้ทานจนกั้นกุศลธรรมไว้เมื่อนกัฝนตกลงมาเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นตัวกั้นงื่นที่พระพุทธเจ้าสอนสอนบอกว่าทั้งพระรัตนตรัยทั้งการให้ทานทั้งการรักษาศีลทั้งการสมาธิพวกนี้เป็นตัวคันกั้นน้ากั้นน้ําไว้น้ําคือกุศลธรรมต่างๆไม่ให้ไหลออกไปไม่ให้รั่วออกไป พอเราประสงค์จะทํานาจะวานข้าวลงในที่นา mm. เพื่อเก็บเกี่ยวเอามากเอาผลเนี่ยมันก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีปัญญามากบารมีมากท่านก็ไปได้พอแ ต, แต่ท่านไปถึงโลกุตรธรรมท่านก็ทราบพระรัตนไตัตยในชั้นของโลกุตรธรรมนั้นที่ท่านเข้าถึงแต่พวกเราเนี่ยต้องเริ่มไปจากโลกียะธรรมก่อน สมาทานพระรัตนตัยให้ตั้งมั่นยึดในรัตตรยและมันก็ไม่มีโทษในการยึดถือพระรัตนตทางที่ที่เราให้ฟังเนี่ยทางด้านนามธรรมไม่มีโทษถ้ามีโทษถ้ามีโทษไม่มาสอนจะสอนทําไมของมีโทษแต่อันที่ยึดถือพระรัตนไตัยทางด้านลูกเคารพเนี่ยมีโทษก็เลยไม่สอนเมื่อไม่สอนไว้เพราะมันมีโทษจะไปบอกโทษให้แก่กันทําไมจะไปสอนให้กันยึดถือในสิ่งที่เป็นโทษทําไมก็จะบอกในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่ไม่มีโทษกับพวกเรา เนี่ยคือสิ่งที่ต้องการจะบอกและแนะนําในเรื่องของผู้ปฏิบัติปฏิบัติใหม่ๆให้เข้าใจตามเขาโครงนี้อาจจะบอกไม่ได้ละเอียดทั้งหมดเพราะความละเอียดมันต้องหาภายในจิตใจของเราด้วยหรืออาศัยการฟังเกตเล็กเก็ดน้อยฟังมาเรื่อยตามการที่เขาถามเข้ามาในนี้ถามเป็นในมาในเพจเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็เอานําไปฟังแล้วก็ประกอบสติปัญญาของตนแต่เขาโครงการปฏิบัติทั้งหมดที่ทอธิบายมาเนี่ย มีเท่านี้แหละไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนบางคนบอกว่าต้องทําพิธีอาราธนากรรมฐานไม่พระอาจารย์กรรมฐานจะต้องอาราธนาด้วยเหรอฮะไม่ไม่ท่องอาราธนาทาตอนไหนก็ทําไม่ต้องไปทพิธีอาราธนาหรือจะถ้าจะที่ฐานก็ที่ฐานเพียงแต่ว่าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในชาตินี้ด้วยเถิดแค่นี้แหละพนมมือขึ้นกับยกใสหัว สาธุขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุก์ในชาตินี้ด้วยการปฏิบัติที่ข้าพเจ้ากําลังบําเพ็ญนิเทศเนีก็ภาวนาไปท่องธาตุสีไปแล้วแต่ใครจะอยู่ในทะลำดับของการท่องก็ท่องลำดับของการพิจารณาก็พิจารณาลำดับของการพิทท่องขันก็ก็ท่องขันไปลำดับของการแยกขันก็แยกขันไปลำดับของการดูขันเกิดดับก็ดูขันเกิดดับไปลำดับของการพิจารยัสสีก็พิจารยัสสีไปเจริญมากไป ตามลำลดับข้องใครข้องมันต้องรู้ฐานะของตัวเองต้องรู้การปฏิบัติของตัวเองต้องรู้จุดที่ตัวเองอยู่ว่าตัวเองอยู่ในจุดไหนข้อปฏิบัติไหนถึงจะเจริญตัวเองเข้าไปได้ก็สอนมาก็สอนอย่างนี้มาทุกคนสีปีบ้าง5ปีบ้าง6ปีบ้างเปีบ้างก็แล้วแต่ ความภาคเพียรแล้วแต่กําลังบุญกําลังกุศลกําลังสติกำลังปัญญากําลังแห่งความภาคเพียรที่ทํา10ปีก็ไม่เป็นไรไม่ไมีเสียหายพอทําแบบผิดๆสิปีก็ยังทํามาแล้วหรือมันไม่ได้ชาตินี้ข้ามภพข้ามชาติไปเอาชาติหน้าก็าไม่เห็นเป็นอะไรเพราะการปฏิบัติมันต้องแบบข้ามภพข้ามชาติกันอยู่แล้วเขาไม่ได้ทํากันแค่ชาตินี้ชาติเดียวนะการปฏิบัติภาวนาเขาทากันแบบข้ามภพข้ามชาติมาพุทธเจ้าก็ข้ามภพข้ามชาติมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร จะให้มันได้แต่ชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้มันไม่ได้หรอกแต่พอบอกให้ตนั้นลบชาตินี้เอาไหมหกืไม่เอาเน่ยชาติก็น่าเป็นห่วงที่สมมุติเราไปเพลนบางอย่างเดี๋ยวเราก็ลืมคำสอนมันก็จะอนตรพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ใส่ใจในการประพฤติทธรรมอยู่เสมอแม้จะข้ามไปพบอื่นความใส่ใจและตึกเลกในธรรมนั้นก็จะไม่เสื่อมสัหายไปไหนมันจะเป็นเครื่องคอยกระตุ้นเตือนใจให้พิจารณาธรรมอยู่เสมอ เมื่อเรามีเครื่องกระตุ้นเตือนใจอย่างนี้อยู่เสมอแล้วเพลินก็เพลินแค่ชั่วคราวมันก็จะตึกนึกและถูกกระตุ้นขึ้นมาให้พินาเห็นเป็นความทุกข์หากบุคคลผู้นั้นมีการพิจาย้าย้ำอยู่เสมอนะยึดถือกับประฐานนี้ไว้ในใจอยู่ตลอดพระเจ้าบอกว่าจะบรรลุแม้แต่ทั้งบนเทวโลกตายตุ้บในขณะ น, นี้ปุ๊บจิตมันยังหน่วงเหนียวอารมณ์ของการปฏิบัติกับประฐานอยู่มันก็จะสอบอยู่บนเทวโลกข้ามไป แลบรรลุบนเทวโลกก็ได้หรือจะว่ายอย่างงั้นผู้ปฏิบัติธรรมหนึ่งไม่บรรลุขณะที่ยังดีอยู่เนี่ยก็จะบรรลุตอนที่แกชาา่ชราไม่บรรลุตอนแก่ชร า, าก็จะบรรลุตอนใกล้ตายไม่บรรลุตอนใกล้ตายละชีวิตไปแล้วย่อมไปสู่เทวโลกและจะบรรลุบนเทวโลกไม่บรรลุเทวโลกอันนั้นก็นานหน่อยทีนี้เพราะเพราะบนเทวโลกมันมีอะไรครอบงำเยอะนะอันนั้นก็ต้องนานหน่อยแต่ก็ไม่ได้นานเพื่อ เพื่อที่จะตกต่ําแต่ก็นานไปแบบเพื่อเพลินก็จะได้รับทุกไลท์ลกรณีอยู่นะก็รับทุกไปเพราะพอมันไม่พ้พพนอะจะทํำยังไงเพราะบางคนก็ตามแต่วิสัยนะเนาะมันได้เท่านั้นแต่ถ้าใส่ใ จ, จอยู่เสมอมันต้องได้แน่นอนไม่ต้องห่วงมรรผลไม่ใช่เครื่องล้าสมัยยังสามารถอํานวยผลให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้อยู่ ไม่เชื่อก็ต้องลองปฏิบัติดูเอาละเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในการอธิบายทำในวันนี้เอวัง